เป้าเอาชนะตัวเองจริงๆแล้วทุกคนอยากเอาชนะตัวเองยกระดับธรรมชาติฝ่ายตามให้สูงขึ้นพวกเขาจึงชื่นชมกันทั้งนั้นเมื่อเห็นใครก็ตามสามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ตามคาดให้กลายเป็นความสุขเกินคิดหรืออย่างน้อยยกระดับสุขที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มคูณเป็นปีติเหนือชั้นได้อีก ตัวอย่างเช่นคนที่พ่ายแพ้หมดรูปเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องโกรธต้องริษยาต้องช้ำใจแต่หากนาทีที่แพ้ยังสามารถพูดจาหรือมีสีหน้ายอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ฝืนสะท้อนความแข็งแรงทางใจพอจะยืนหยัดพัฒนาฝีมือในรอบอื่นก็ย่อมบันดาลปีติตื้นตันแก่คนเห็นค่าที่เปลี่ยนความรู้สึกหาคนอื่น เป็นชนะใจตัวเองได้แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาอารมณ์ไม่แพ้ที่เกิดขึ้นมักเป็นแรงบันดาลใจให้คนเคยล้มเหลวเกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อกับทั้งชวนให้คนสำเร็จไม่นึกดูถูกคนล้มเหลวด้วยส่วนคนที่ชนะถล่มทลายเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องทนงต้องหลงตัว ต้องเหลืองระรื่นแต่หากนาทีที่ช น, นะยังพูดจาถ่อมตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรมีสายตาทอแววว่าเห็นหัวคนตลอดจนระลึกถึงบุญคุณคนได้ก็ย่อมก่อให้เกิดโสมนัดขึ้นเป็นทวีคูณกับคนเห็นค่าที่ลดระดับความรู้สึกตัวตนพองโตเอถอดทะลงมา อารมณ์ที่ไม่เลิงที่เกิดขึ้นมักเป็นแรงบันดาลใจให้คนใหญ่คนโตที่กำลังหาทางลงจากภูเขาอัตตาอันหน้าอึดอัดเกิดแรงบันดาลใจหรือเห็นวิธีที่จะมีความสุขกับการถ่มตัวได้บ้างคนผิดพลาดอาจเป็นแรงบันดาลใจในการรับไปแก้ไขคนถูกต้องอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่หลงประมาท คนอกหักอาจเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นสุขอยู่กับตัวเองคนสมหวังอาจเป็นแรงบันดาลใจในการประคองชีวิตคู่คนถูกใส่ร้ายอาจเป็นแรงบันดาลใจในวิธีพูดถึงความจริงอย่างนุ่มนวลคนถูกสรรเสริญอาจเป็นแรงบันดาลใจในการยกความดีให้คนอื่นอย่างเปิดเผย ถ้าพบแรงบันดาลใจให้อยากถือเป็นแบบอย่างนับว่าคุณโชคดีแต่ถ้าเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นแบบอย่างให้คนอื่นดูนับว่าคุณมีดีกว่าโชคตั้งเป้าคิดดีถ้าคุณพบว่าในหัวของตัวเอง มักมีทั้งความคิดดีและความคิดร้ายเกิดขึ้นพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากใจนันสะท้อนให้เห็นว่าคุณยังหาตัวเองไม่พบเมื่อชีวิตยังแกว่งไปบนเส้นทางที่ไม่แน่นอนเอาแน่ไม่ได้ว่าคุณจะเข้าข้างฝ่ายคิดดีหรือฝ่ายคิดร้ายในตนให้ถือว่าคุณยังไม่มีตัวจริงที่จับต้องได้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 แต่ไม่ได้ประกันว่าจะคิดดีเสมอไปตอนเป็นทุกข์เกิดแนวโน้มให้คิดร้ายแต่ก็ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องคิดร้ายอย่างแน่นอนคุณเลือกได้สุดแท้แต่ว่าจะมีสิ่งใดบันดาลใจให้เลือกเมื่อใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่คุณไม่ใช่แค่เลือกตามอารมณ์เป็นครั้งครั้งแต่ตกลงเอาข้อสรุปกับชีวิตทั้งชีวิตของตนไว้แล้ว แบบเป็นเด็ดเป็นขาดว่าจะเลือกข้างดีหรือคิดร้ายจะเลือกข้างเบียดเบียนหรือเกื้อกูลจะเลือกโตตอบด้วยโทสะหรือเมตตาแล้วค่อยๆสั่งสมบารมีผ่านด่านพิสูจน์ใจและหลายครั้งการโตตอบกับสถานการณ์ต่างๆจะช่วยยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่าที่เลือกนั้นเลือกจริงหรือเปล่า แค่เลือกข้างดีอยู่ในใจแต่กลับเข้าข้างร้ายเมื่อจวนตัวหรือลังเลอยู่ในใจแต่กลับเด็ดเดียวเลือกข้างดีเมื่อเจอบทพิสูจน์ถ้าเลือกข้างคิดดีข้างเกื้อกูลข้างเมตตาในที่สุดความคิดร้ายๆจะค่อยๆแผ่วหายไปจากหัวหรือถึงแม้ปรากฏก็เบาบาง ถึงจุดหนึ่งคุณจะไม่อยากเอาไม่อยากถือหางข้างเข้าร้ายอีกเลยตอนพบสถานการณ์ยุ่งยากใจเรายังคงเหลือแค่ความคิดดีๆอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละหลักฐานความตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางความคิดดีที่ชัดเจนเมื่อเลือกข้างคิดดีคุณจะคิดดีได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ และอยู่บนเส้นทางของชีวิตที่มีความสุขที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถึงแม้สับสนก็น Maker, Bradley, สับสนอยู่ระหว่างตัวเลืเอก ท, nice. ที่ดีน้อยกว่าหรือดีมากกว่าเท่า okay. น, นั้นเมื่อเลือกข้างคิดร้ายคุณจะคิดร้ายได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและอยู่บนเส้นทางของความเดือดเนื้อร้อนใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าหากจะต้องสับสน